พระบัญญัติ154ถ้าภิกษุแม้ได้รับการแต่งตั้งแล้วเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงแล้วยังสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายอยู่ต้องอาบัติปลาจิตตีเรื่องพระจุรปันถกจบ